ตอนที่สิกโจเจีนเยี่ยคือฝ่ายที่ทําความผิดเมื่อพูดจบเจิ้งอวินชงก็ส่งสัญญาณให้หลิวเคอเคอแล้วกล่าวว่าตาเจ้าและสหายนักข่าวหลิวหลิวเคอเคอร์ออาปากค้างนางไม่รู้เลยว่าจะพูดอย่างไรดีในช่วงที่โจเจีนเยี่ยยังไม่อยากขาดนางก็มีความคิดในเชิงนั้นอยู่แล้วเดิมทีนางก็ตั้งใจจะทําลายครอบครัวของพวกเขาอยู่แล้วหากตอนนี้ต้องมายืนสาบานโดยพูดเรื่องที่ขัดต่อมโนธรรมไม่แน่ว่าผลกรรมอาจจะตามสนองจริงๆก็ได้ ลิวเคอเคอเป็นปัญญาชนที่เรียนจบมหาวิทยาลัยเดิมทีนางไม่เชื่อเรื่องผู้ตผีเทวดาที่สุดแต่ตอนนี้กลับเชื่อขึ้นมาเสียอย่างนั้นเพราะนี่คือสิ่งที่นางกำลังประสบกับตัวลิวเคอร์อเคอร์อพยายามถ่วงเวลาและไม่ยอมพูดน้ำตาของนางเริ่มคลอเบา้าโจเจี้นเย่ยเริ่มร้อนใจเคอร์เค อ, เคอในวินาทีต่อมาลิวเคอเครอร์ก็คิดหาทางออกได้นางกุมหน้าอกกันหันพลางหอบหายใจแรงแรงยื่นมือไปคว้าแขนของโจจี้นเ ย, ย่ข้าข้าเจ็บหน้าอกเคอร์เคอร์อ โจวเจี้ยนเย่ตะโกน ล, ลัน่นหลิวเคอเคอร์อสุดตัวลงกับพื้นทันทีนางสลบไปแล้วโจวเจี้ยนเยจ้องมองหลี่ชิงผิงด้วยสายตาเครียดแค้นจะต้องบิดคั้นคนให้ถึงตายเลยหรืออย่างไรหากเคอเคอเป็นอะไรไปเจ้าก็อย่าหวังว่าจะอยู่อย่างสงบสุขเลยผู้พันโจกานสาบานนี้สหายนักข่าวหลิวเป็นคนเสนอเองข้าก็พูดไปแล้วทำไมนางถึงไม่พูดละ่ะเจิ้งอวิ๋นชงมองออกว่านางแค่แ้งทำ ลหวันปล่อยมือจากลีชิงผิงแล้วเดินเข้าไปหาด้วยความหวังดีท่านพ่อข้ามีวิธีช่วยนางโจวเจี้ยนเย่ยขมวดคิ้วเจ้าจะมีวิธีอะไรตอนนี้เขาร้อนใจอยากจะพานางไปโรงพยาบาลหลิวเค K. อเคอมีปัญหาเรื่องหัวใจจะชักช้าไม่ได้ระหว่างทางไปโรงพยาบาลต้องเสียเวลาแน่ๆหากไปถึงช้าจะทำอย่างไรลิวันเดาความคิดของโจวเจี้ยนเย่ยออกจึงอาสว่าท่านพอ่อท่านวางใจเถิด วิธีนี้เห็นผลเร็วแน่นอนพูดจบหลี่หวานก็สบัดข้อมือเล็กน้อยวินาทีต่อมาเทียฝ่ามือหนึ่งก็ฟาดลงไปบนหน้าของนางโดยตรงเทียจากนั้นก่อนที่ทุกคนจะทันตั้งตัวนางก็ฟาดลงไปอีกฝ่ามือหนึ่งแม้ร่างกายเล็กๆนี้จะยังไม่ค่อยมีแรงแต่หลี่หวานก็ใส่แรงไปจนสุดกําลังแก้มทั้งสองข้างของหลิวเคอเคอแดงก่ําขึ้นมาทันทีเจ้าทําอะไรนะ่ะ โจวเจี้ยนเย่ยเห็นวิธีช่วยเช่นนี้ก็รีเสียใจทันทีเมื่อครูเขาไม่ควรเชื่อคำพูดของนางเลยลหว่านมองดูหลิวเคอเคอที่ยังคงนอนนิ่งอยู่ในอ้อมกอดของโจวเจี้ยนเ ย, ย่โดยไม่มีปฏิกิริยาใดๆนางจึงแค่นหัวเราะออกมาช่างอดทนเก่งเสียจริงลีชิงผิงมองดูลูกสาวด้วยสายตากังวลนางไม่ได้กังวลว่าลูกสาวจะช่วยหลิวเคอเคอไม่ได้แต่นางกลัวว่าโจวเจี้ยนเ ย, ย่จะทำร้ายหลิวานสงสัยเมื่อกี้ข้าจะกระแรไม่ถูกท่านอาเจิง้งท่านมาช่วยข้าหน่อย ลิวันชี้ไปที่หลิวเคอเคอพลางบอกเจิ้งอวิน๋นฉงข้าเคยได้ยินผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านบอกว่าหากคนสลบไปการตกหน้าถือวิธีที่ได้ผลที่สุดเหมือนว่าบนใบหน้าจะมีจุดชีบจรบางอย่างสงสัยเป็นเพราะข้าแรงน้อยเลยไม่ได้ผลท่านหลุ่เจิง้งท่านต้องใช้แรงให้เต็มที่เลยนะมุมปากของเจิ้งอวิน๋นฉงโค้งขึ้นเป็นรอยยิ้มจางๆก่อนจะกลับมาเป็นปกติตกลงเช่นนั้นข้าจะฝืนใจช่วยนางสักหน่อยแล้วกันเขายังไม่ทันจะ ก, ก้าเข้าไปโจยเจียนเยี่ยก็ยื่นมือมาขวางไว้ไม่ยอมให้ใหเจิงอนงมื เจ้าไปได้ยินเรื่องนี้มาจากไหนทําไมข้าไม่เคยได้ยินใครพูดถึงเลยท่านพ่อหลายปีมานี้ท่านไม่ได้อยู่ในหมู่บ้านย่อมไม่รู้สูตรลับนี้แน่นอนหรือหว่นพูดด้วยน้ําเสียงจรงิงจังท่านอย่ามัวเสียเวลายอยู่ที่นี่เลยหากสลบนานเกินไปจะไม่ดีโจเจี้ยนเย่ยรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรอีกฝ่ามือของเจิ้งอวินฉงมีรอยด้านบางๆจากการฝึกฝนอย่างหนักมานานหลายปีหากตกลงไปสักทีต่อให้เป็นวัวก็คงมึนไปครึ่งค่อนวัน แน่นอนว่าเจิ้งอวิ๋นฉงจะไม่ใช้แรงเต็มสิบส่วนเพราะนั่นอาจจะทําให้คนสลบไปจริงๆเขาใช้แรงเพียงห้าส่วนก็พอเพื่อให้มั่นใจว่านางจะฟื้นแต่ไม่บาดเจ็บถึงสมองเจิ้งอวินฉงยังไม่ทันจะได้ลงมือหลิวเคิร์คก็ฟื้นแล้วนางรีบลืมตาขึ้นทันเวลาแล้วโผล่เข้าหาอ้อมกอดของโจเจี้ยนเยี่ยเจ็บจังเลยเจิ้งอวินฉงพูดด้วยน้ำเสียงทุ้มต่ําสหายนักข่าวหลิวฆ่ายังไม่ทันตกเลยทำไมเจ้าถึงฟื้นแล้วล่ะ หลิวเคอเคอกัดฟันกรอดหักฝ่ามือนี้ฟาดลงมาใบหน้าของนางมิพังไปเลยหรือและนางจะแต่งงานกับโจเจียนเย่ยได้อย่างไรข้ายังรู้สึกไม่ค่อยสบายท่านพาข้าไปโรงพยาบาลเถิดน้ําตาของหลิวเคอเคอร์ไหลพรากเจียนเย่ข้าไม่เข้าใจว่าทําไมภรรยาของท่านถึงต้องจงใจเล่น ง, งานข้าเช่นนี้เรื่องที่พวกท่านหย่ากันไม่ใช่ความผิดของข้าเลยนะข้าโจเจียนเย่ยเห็นนางร้องให้ก็รู้สึกสงสารจับใจเรื่องของพวกเขาสองคนเดิมทีก็ไม่เกี่ยวกับหลิวเคอเคออยู่แล้ว ลิชิงพิงทำเกินไปจริงๆต้องบีบให้คนตายถึงจะพอใจใช่ไหมตกลงข้าจะพาเจ้าไปโรงพยาบาลเมื่อโจวเจี้ยนเยี่ยผูดจบเจิงอวินชงก็ยังคงยืนอยู่ที่เดิมโดยไม่มีทีท่าว่าจะปล่อยให้พวกเขาไปทำไมเมื่อกี้ให้ข้าสาบานแล้วพวกเจ้าคิดจะเนียนผ่านไปอย่างนั้นหรือเจิงอวินชงสีหน้าครึมลงโจวเจี้ยนเยี่ยวันนี้หากพวกเจ้าทั้งสองคนไม่กล่าวคำสาบานออกมาก็อย่าหวังว่าใครจะได้ไปจากที่นี่ เจียนเย่หลิวเคอเคอยิงคงเรียกชื่อเขาด้วยท่าทางน่าสงสารโจเจียนเย่เม้มปากแน่นตกลงข้ายอมรับว่าข้าใส่ร้ายเจ้าเองพอใจหรือยังหลีชิงพิงเจ้าช่างร้ายกาศนักเช่นนั้นเจ้าก็ยอมรับด้วยใช่ไหมว่าแม่ของเจ้าและคนตระกูลโจของพวกเจ้าข่มเหงสหายหลีชิงพิงและลูกเจิงอวินฉงเสริมขึ้นแล้วก็ท่านยากับท่านอหญิงจะฆ่าพวกเราด้วยหลีหวันรีเสริมขึ้นทันควันหลีชิงพิงยังมีเรื่องจะพูดอีก นอกจากนี้เงินสองพันหยวนนั่นเดิมทีก็เป็นเงินที่พวกเราใช้ชีวิตร่วมกันเป็นสินสมรสคนละครึง่งอย่างไรเสียค่าก็อยู่กับเจ้ามาสิบกว่าปีและข้าก็ไม่ใช่ฝ่ายที่ทําความผิดทําไมข้าต้องพาลูกออกจากบ้านตัวเปล่าด้วยเงินนี้ถือเป็นค่าเลี้ยงดูพวกเราแม่ลูกและเสียหวานก็แล้วกันตอนนี้ต่อให้โจจี้ยนเี้จะไม่ยอมรับก็ไม่ได้แล้วเขาคือฝ่ายที่ทําความผิดในชีวิตสมรสปรับใดที่เขายอมรับต่อไปในเขตทหารเขาจะต้องถูกผู้คนตราหน้าและด่าทออย่างแน่นอน แต่เขาก็จําต้องยอมรับตกลงข้ายอมรับสิ่งที่พวกเจ้าพูดมาข้ายอมรับทั้งหมดในใจของโจเจียนเย่ยคิดว่าในอนาคตเขาจะหาโอกาสที่เหมาะสมเพื่อกอบกู้ชื่อเสียงกลับคืนมาตอนนี้สิ่งที่สําคัญที่สุดคือการพาเคอร์เคอไปโรงพยาบาลร่างกายของนางไม่แข็งแรงหลิวเคอเคอจบกันคราวนี้จบเหตุจริงๆแล้วเจียนเย่หลิวเคอเคอร์อพูดด้วยน้ําเสียงน้อยใจข้าสร้างปัญหาให้ท่านใช่ไหม เมื่อกี้ถ้าไม่ควรยอมรับเลยกลับกลายเป็นว่าพวกนางได้ประโยชน์ไปเสียอย่างนั้นคราวนี้ทุกคนคงจะคิดว่าท่านเป็นคนไม่ดีไม่ช้าก็เร็วความจริงจะปรากฏออกมาเองโจวเจี้ยนเยียบลอบนางไม่ให้กังวลข้าจะพาเจ้าไปโรงพยาบาลก่อนเรื่องหลังจากนี้ค่อยว่ากันหลิวเคอเคอไม่ได้พูดอะไรอีก ลานบ้านหลังเล็กของหลีชิงผิงและหลีหวานถูกจัดการอย่างรวดเร็วมีผู้ชายคอยช่วยจัดการมันช่างง่ายดายจริงๆมีเจ้งางวินฉงช่วยเจรจาราคาก็สะดวกขึ้นมากลานบ้านหลังเล็กที่ซื้อมาในราคา500ยหยวนหลีชิงผิงคำนวณดูแล้วว่าพรุ่งนี้จะเอาเงินที่เหลืออีก 1,200 งพันอยกว่าหยวนไปฝากธนาคารไว้เพื่อไม่ให้ใครมาหมายปองเงินที่เหลือก็เก็บไว้เป็นเงินใช้สอยส่วนตัวของพวกนางแม่ลูกมื้อเที่ยงพวกเขาทานอาหารที่ร้านอาหารของรัฐหลีชิงผิงเลี้ยงอาหารเจร้งางวินฉงหนึ่งมือ้อจะว่าไปวันนี้เขาช่วยนางไว้ถึง2ครั้ง ไม่ต้องเกรงใจขนาดนี้หรอกมันเป็นสิ่งที่ควรทำอยู่แล้วข้าบอกแล้วไงว่าเรื่องที่พวกเราแม่ลูกช่วยชีวิตท่านท่านเขียนหนังสือแนะนำตัวให้พวกเราก็ถือว่าตอบแทนแล้วแต่วันนี้ท่านยังช่วยพวกเราซื้อบ้านอีกมื้อนี้ข้าต้องเลี้ยงท่านแน่นอน